พึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติให้แน่วแน่จิตใจมันจะตั้งมันอยู่ได้ก็อาศัยสติสติคือะระลึกเข้ามามในใ่ะระลึกออกไปะระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ ตามธรรมดาคนเราเมื่อยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะฝึกต้นนี่ส่วนมากมีแต่สติออกสติเข้าไม่มี ม, มีแต่ละลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นเลยคือหมายความว่านอกกายนี่นะนอกใจส่งไประลึก คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่ล่วงแล้วมานูน่นบางทีก็ราลึกไปล่วงหน้าไปนูน่นว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปที่นู่นสังคมที่นี่มีนัดกัน ตรงน้นตรงนี้มันมีแต่ระลึกไปข้างหน้ามีแต่ระลึกคืนหลังอันมันจะมากำหนดใจให้ลงในปัจจุบันนี่ไม่ค่อยมีคนส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเ น, น้นำให้ภาวนานี่มันจึท้อใจหลาย พปกติคนเราชอบคิดส่งออกไปแต่ข้างนอกอันแนะนำให้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในอย่างนี้นี่ท้อใจเอาเนาะทวนเข้ามาแล้วมันไม่อยู่มันถอนออกไปก็มันจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตนไม่เคย ทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่พอครั้งพอคราวอะไรอะ่ะทวนเข้ามากันนิดหน่อยหนึ่งก็ไปแล้วไม่ยับยังใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่พอนมนานอะไรอะ่ะเดี๋ยวพอทำความเพียร น, น้มสติเข้าไปน่อยหนึ่งจะให้ใจมันสงบ จะให้ใจมันส ง, งบไปเลยนะมันจะส ง, งบได้ยังไงล่ะ mm hmm. แล้วมันต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามติดต่อกันไปอยู่อย่างนั้นคือว่ายืนอยู่ก็ให้รู้ตัวหัดรู้ตัวอยู่เดินไปก็หัด รู้ตัวนั่งอยู่ก็หัดรู้ตัวว่าตนนั่งอยู่อย่างไรจิตใจตนไปคล้องอยู่กับสิ่งใดก็กำหนดรู้ไม่ให้มันคล้องกำหนดละปล่อยวางไปเรื่อยๆตนนอนอยู่ก็รู้ว่าตอนนอนเมื่อนอนอยู่ก็ระลึกถึงจิต จิตเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือว่าวอกแวกไปทางไหนสติตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกอิริยาบถอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนถ้าเมื่อเรามีสติตามรู้ตามเห็นตาม กำหนดใจละอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างเนี้จิตนี่มันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญจนเกินกว่าเหตุเมื่อไปนั่งสมาธิน้อมจิตน้อมสติลงไปเพื่อให้จิตใจมันสงบลงมันก็สงบได้ง่ายเมือ่อผู้ใดตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกอิทยาบทนะ <c oughs> แต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยตามรักษาจิตตัวเองมักจะปล่อยจิตให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วพิภพจิตมันเคยส่งออกไปข้างนอกมันเคยไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอกนู่นเนื้อใจให้มันมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี่มันจะอยากสงบที่ไหนล่ะ เพราะว่าจิตนี่ไม่มีอิสระเป็นส่วนตัวแล้วมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนี่ตัณหากิเลสมันไม่ยอมให้ใจสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะเมื่อทำใจเช่นนั้นละมันใจจะเข้มแข็งนะกิเลสมันสู้ไม่ได้ มันจะเอาชนะกิเลสไปได้กิเลสมันก็ไม่ยอมมันก็มีมายาเหมือนกันกิเลสนะมันจึงผลัก ด, ดันเราให้คิดส่งออกไปแต่ข้างนอกไม่ให้น้อมสติเข้ามาภายในผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพาการตั้งสติ ไห้ดีเมื่อมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วยสติระลึกเข้ามาหากายกายนี้เป็นอยู่อย่างไรสัมปชัญญม ะ, ญญ ม, ะญญมีหน้าที่จะต้องวินิจฉัยดูว่าร่างกายอันนี้มันนั่งอยู่อย่างนี้แลวลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้ แล้วลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็สัณณิฐานดูว่าตนนั้นกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอยู่หรือไม่มเมื่อเมื่อคิดเพลินไปแล้วมันลืมลมหายใจเข้าออกคนเรานะ่ะ เมื่อมีสติหยุดยั้งความคิดได้มันก็มากาหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์ของจิตโยไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์ของจิตเอาลมหายใจนี่นะมาเป็นอารมณ์ของจิตมันจึงปลอดภัยดี พาะลมธาตุลมมันเป็นกลางกลางมันไม่เป็นสิ่งล่อใจของใครให้เสียใจดีใจต่างๆส่วนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสต่างๆหมดนั้นนะ่ะมันเป็นเครื่องล่อใจให้เกิดความกำหนัดยินดีบ้าง ให้เกิดความโกรธบ้างให้เกิดความหลงความมัวมเมาบ้างเมื่อบุคคลใดไม่รู้เท่าดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้มีสติสัมปชัญญะน้อมเข้ามาภายในไม่ส่งเสริมความคิดที่แล่นไปตามรูปเป็นต้น พยายามน้อมเข้ามาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเช่นนี้แล้มันปลอดภัยจิตนี่นะ่ะไม่มีภัยเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางอลไวแบบนี้นะมันไม่เอียงไปข้างรักมันไม่เอียงไปข้างชั่งมันเป็นกลางอยู่ได้ จุดมุ่งหมายของการภาวนาพระศาสดาเขทรงสอนให้พุทธบริษัตรทั้งหลายทําใจให้เป็นกลางนั่นแหละถ้าหากทําใจให้เป็นกลางไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรมันจะพ้นไปได้ยังไงอ่ะ อารที่บุคคลมาทําใจให้เป็นกลางลงไปอย่างนี้แสดงว่ามันวางอารมณ์ภายนอกได้หมดจิตนี้มันจึงเป็นกลางอยู่ได้มันเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ลมในเป็นแต่ธาตุอันหนึ่งต่างหากในธาตุสี่นะมันจะไป น, น่ายินดียินร้ายอะไรกับลมเนี่ยนั่น ดังนั้นพระจาสดารก็จึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญอาณาปานสตินี้เพราะมันปลอดภัยดีการเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างนี้นี่กลัวว่าจะเพ่งดูได้มันก็ต้องสำรวมจิตเข้ามาภายในก่อนไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอก เมื่อจิตมันสงบอยู่ภายในนี้แล้วมันก็เพ่งดูสภาพร่างกายอันนี้ได้ชัดเจนแล้วบบนนี้นะเพราะว่าจิตมันก็อาศัยอยู่ในกายนี่มันอยู่ใกล้ชิดกันเต็มทีนะแต่เมื่อห้ามจิตถ้าหยุดนิ่งไม่ได้มันก็ไม่รู้แจ้งในกายนี้เช่นเดียวกันนะั่ะ ถึงอาศัยอยู่ในกายนี่ก็ไม่รู้แจ้งกายนี่ตามเป็นจริงยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นความยึดถือนี่มันเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดในโลกหน้าต่อไปอีกเพราะบุคคลผู้นั้นยังอะไรในรูปในกายอันนี้อยู่เวลาเป็นคนอยู่เนี่ย ยังอยากให้มีรูปมีกายอันนี้อยู่นี่แหละความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นตัวกรรมกรรมนี่มันยุติธรรมเอาใจว่าใจชอบอย่างไรมันก็แต่งให้อย่างนั้นใจชอบอย่างไรแล้วก็ใช้กายทําใช้วาจาพูดไปก็เป็นตัวกรรมไป ถ้าทำดีทำทำดีพูดดีก็เป็นกรรมดีไปถ้าทำชั่วพูดชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปมันสุดแล้วแต่ลักษณะของกิริยาอาการที่กระทำ <c oughs> ให้พิจารณาให้มันเห็นอันนี้นที่สั้นสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษมันต้องได้เพ่งดูภายในนี่เราจะไปมองดูภายนอกนั่นจะให้บาป จะให้เห็นบาปเห็นบุญนะไม่ได้อันนั้นมันปลายบุญปลายบาปต่างหากแต่ต้นบุญหรือว่าโคนของบุญนะมันอยู่ที่ใจโคนของบุญของบาปมันอยู่ที่ใจเมื่อบุคคลได้รู้ว่าบาปเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิต เช่นี้ก็มาสอนจิตของตนไม่ให้ชื่นชมยินดีกับบาปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นบาปเป็นโทษก็เว้นตามเลยอเว้นตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไม่ทําไม่พูดนั่นก็ไม่ทําก็ไม่พูดก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่า เป็นผู้ที่รู้ตัวได้รู้ว่าเรานับถือว่าพระเจ้าอย่างนี้นะก็ต้องทำตามคาสั่งสอนของพระเจ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้นับถืออย่างทางโลกอย่างนี้แหละนักเรียนกับครูอย่างนี้ ก็ตามระเบียบแล้วนักเรียนจะต้องเคารพต่อครูเมื่อครูสั่งให้ทำอะไรนักเรียนต้องลงมือทำไม่ขัดคืนเพราะว่าครูนั่นเป็นใหญ่เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วก่อนนักเรียนดังนั้นนักเรียน พึ่งผึกขัดพึ่งอบรมครูสั่งอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้ น, นในพุทธศาสนานี้เมื่อเรานับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาของเราจริงถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วกว็าตาม แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์ <c oughs> การที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เคารพเป็นผู้นับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสรศิฐ ถ้าไม่ใช่นั้นแล้วความนับถือก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีตามพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะละอาสวะกิเลสให้ด้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เมื่อนับถือแล้วก็ต้องทำตามจุดประสงค์ ของผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเมื่อครูว่าอาจารย์มีจุดประสงค์อย่างไรจุดประสงค์ให้สานารสิทธิ์ทําอย่างไรก็พยายามทําตามให้เต็มความสามารถก็เช่นนั้นแหละรุสิทธิ์นั่นกัการเรียนก็ยึงก้าวหน้าไปได้ก็จึงจดจําวิชาความรู้ต่างๆได้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพุทธศาสนิกชนเป็นผู้สนใจในธรรมะเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือพระธรรมด้วยเคารพต่อพระธรรมสนใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในพระธรรมอยากจะจำเอาไปเป็นธรรมสมบัติ ติดตามตนไปทั้งในโลกนี้โลกหน้านัา่นแหละถ้าหากว่าตนยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นในโลกนี้แม้ไปสู่โลกใดไป เ, เกิดที่ไหนก็ขอให้พระธรรมนี้ติดตามไปด้วยให้ไปทำอำนวยให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งให้มีสติปัญญา รู้แจ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้หรือว่าให้มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกได้อย่าให้ขัดข้องดังนั้นคนบางคนนะ่ะเกิดมาในโลกนี้จึงเป็นผู้สนใจในธรรมะอย่างแรงทั้งเรียนทั้งท่องทั้งจำ ทั้งฟังไม่เบื่อไม่นายทั้งลงมือประพฤติปฏิบัติตามผู้เช่นนั้นน่ะแสดงว่าเศชาติก่อนนั้นเคยทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยเรียนเคยท่องเคยจํามาเคยลงมือประพฤติปฏิบัติตามมาแต่ว่าอินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ ก็จึงยังบรรลุมกผลธรรมวิเศษไม่ได้เพราะเกิดมาในชาตินี้ก็คุณธรรมนั่นแหละมากระตุ้นใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอยากทาตาม <c oughs> มันก็ยินดีสมทานเอาไป ไว้ประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาท <c oughs> แต่บางคนไม่เอาไหนเบื่อหน่ายต่อการเรียนการท่องการจำเอาคำสั่งสอนของพระผู้เเจ้าแต่ถ้าไปจำเอาเพลงบจำเอากรลําไปจำเอาเรื่องสเปเหระ อันไม่เป็นประโยชน์นั้นจำแม่นปันได้วเวลาจะมาจำเอาคำสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นวิชาความรู้อันยอดเยี่ยมจะทำตนให้พ้นทุก์ไปได้ไม่ชอบใจซะแล้วเบื่อแล้ว <c oughs> บางคนเป็นอย่างนั้น ผู้ใดเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมเทศสีปราภาวูผู้ใดเกลียดทรรมเบื่อทรรมเป็นผู้ชิพหายนั่นเน <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ะมันต้องเป็นความจริงแหละผู้ใดเบื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ยินดีประพฤติปฏิบัติตามแล้วกิเลสมันก็จูงไปให้ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจกิเลสมันก็บันดนับันดนบันดาลให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาอเห่นเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปอนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติ ที่จะให้ดำเนินไปถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานก็ไม่มีนี่ความเห็นผิดอย่างแรงปฏิเสธไปหมดเลยผู้ใช้ น, นมันกทําชั่วไปได้ทุกอย่างเลยวันนี้นะเพราะว่ามันเข้าใจว่าบาปไม่มีนี่มันก็ทำสิ่งที่เป็นบาปนั่นไปตามชอบใจ ถึงแม้ว่าพวกนั้นจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีแต่ขั้นทําสิ่งที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันยังค่าไม่ใช่ว่าพอความเห็นเกิดขึ้นว่าบาปไม่มีเท่านั้นแล้วบุคคลนั้นทําบาปไปบาปก็เลยไม่เกิดอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่อือันนั้นเป็นความเห็นของบุคคลต่างหากแต่บาปมันเกิดจากเกตนาเนี่ย เมื่อผู้ใดเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไห้โทษทุกชนิดเช่นว่ามานี้แล้วก็หนีบาปไม่พ้นก็ต้องเป็นบาปอยู่อันยั่งคําก็เหมือนอย่างสีดำอย่างนี้แหละมันก็เป็นสีอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าคนเอามาทาตัวเงี้ยผิวพรุ์นี่ก็ดำคล้ำไปเลยแต่ถ้าใครไม่เอามาทาตัวเงี้มันก็ไม่ทำให้ร่างกายของผู้นั้นดำคล้ำไป <c oughs> <c oughs> อันบาปกรรมทั้งหลายมันมีอยู่จริงนะ่มีอยู่ในหัวใจของคนนะันแะ แต่ถ้าคนไม่เอาออกมาใช้แล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อตนเองและผู้อื่นเช่นความกโกรธอย่างนี้นะมันมีเชื้ออยู่ภายในท่านจริงอยู่แหละแต่เมื่อผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วไม่ส่งเสริมมันใครจะมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนอย่างไร จากภายนอกก็ไม่ถือสาหาความไม่ตอบโต้ <c oughs> อดกั้นทนทานต่ออารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาเ <c oughs> ช่นนี้ความโกรธนั้นมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตไม่รับเอาเชื้อมันมาสมทบกัน ความโกรธมันยึงเกิดไม่ได้เมื่อมีสติประคองจิตท้ามจิตได้ทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่าทางมาเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็อ่อนกําลังลงเพราะมันไม่มีเชื้อมาสมทบสติมันระลึกได้เสียก่อนระลึกว่า นี่เรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอามาไว้ในใจเมื่อมันเลึกได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเรื่องนั้นมันก็ดับไปเองมันความโกรธอันมีอยู่ภายในหัวใจมาแต่ดั้งเดิมนั้นเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็เฉาไปเฉาไปอ่อนกำลังไปน้อยไปโดยลาดับเท่านั้นเองเนี่ย เหมือนอย่างพืชต่างๆโมนี่ถ้าปราศจากน้ำหรือปุ๋ยหล่อเลี้ยงแล้วพืชล้มลุกต่างๆตายไปไม่รอดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมต่างๆเมื่อจิตไม่เอาเชื้อมาปร้อนมันแล้วมันจะเหี่ยวไปเลยในที่สุดมันก็ดับไป ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูกิเลสตัวอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยอย่างความหลงอย่างเนี้ยเมื่อผู้ใดตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่อยู่ไปไหนก็ททำความรู้ตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลงอ่ะหรือ ผู้ใดสนใจในการศึกษาเล่าเรียนความรู้วิชาต่า ง, างๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเข้าไปเช่นนี้ความหลงความไม่รู้นะั้นมันก็ห่างไปห่างไปเพราะว่าเจ้าตัวนะั้นเป็นสะสมความรู้ให้เกิดขึ้นมาความไม่รู้มันก็ถอยไปถอยไปอความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมาแทน อย่างนี้แหละ <c oughs> ความรักความใคร่ก็เหมือนกันนะเมื่อจิตเราไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็อ่อนกำลังไปดังนั้นแหละเมื่อสรุปใจความแล้วจึงว่าอยู่ที่ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะควรกระแสจิตเข้ามาภายในนี่เสมอ มาควบคุมจิตดวงนี้ไม่ให้มันไม่ให้กิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงมันผลักดันให้คิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปให้มีสติควบคุมจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ภายในมองเห็นร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยไป อย่างนี้ใจมันก็ไม่ยึดถืออะไรแลวภายนอกอะ่ะตั้งแต่ร่างกายภายในนี้ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งภายนอกมันจะเป็นของตัวตนมาแต่ไหนเมื่อมันไม่รักไม่ชังรูปกายอันนี้รูปนามอันนี้แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังรูปอื่นนามอื่นภายนอกนูน่นก็เป็นนั้นว่ามองเห็น โลกสันนิวัตอันนี้เป็นแต่เพียงสภาวา ธ, าาาธรรมสภาวสังขารที่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรพวนแจกดับไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่เห็นมีสัตว์มีบุคคลอะไรนี่แหละชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์ภายในวัฏสงสารในวัฏสงสารอันนี้ดังแสดงมา